นี่ดีใจนะที่ได้ยินไหมได้ยินหนิงได้ยินหลายหลายคนที่พูดถึงสภาวะนะครับทั้งที่อยู่ในกลุ่มก็ตามหรือทั้งที่คุยกันเป็นการส่วนตัวก็ตามได้เข้าใจคำว่าขอบคุณที่ลึกซึ้งได้เข้าใจคำว่าความรักเข้าใจแบบเป็นน้ำใสใจจริงดีใจที่เธอฟลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นบันไดคุณเดินและก็คุณเติบโตดีใจที่เือฟล เป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มคุณดีใจจริงๆนะครับให้สอนจนถึงตีหนึ่งตีสองวันนี้ก็ไม่เหนื่อยถ้าเห็นรู้สึกเจริญขึ้นอยากให้พูกเรามาถึงสภาวะอย่างที่ไหมที่หนิงเป็นแม้จะเป็นสภาวะชั่วคราวก็ตามดีก็อยากให้มาเห็นมาสัมผัสมันได้สัมผัสได้เห็น ปัญหาต่างๆที่มันอยู่ข้างนอกที่พวกคุณกําลังเผชิญอยู่คือความเป็นนี้สินเรื่องราวความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรต่างๆมันจะคลี่คลายตัวเองออกมันจะคลี่คลายตัวเองออกมันจะกระเทือนไปคลี่คลายตัวเองออกคือจั ก, กรวานจะรวมหัวกันช่วยคุณเดี๋ยวทรัพยากรต่างๆคนเงินต่างๆนะครับลูกค้าต่างๆจะเข้ามาคุณเมื่อคุณอธิษฐานในสภาวะรัก และสภาวะขอบคุณทั้งสองสภาวะเนี่ยพาคุณไปพบพระผู้เป็นเจ้าไปพบพระ พ, พุทธธาในตัวของคุณท่านไม่ได้อยู่นอกโลกนะท่านอยู่ในตัวของคุณพาคุณไปหาได้เป็นสภาวะที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้นะ